วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้สนใจการศึกษาเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจมาวัด เพิ่มมาเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนา mm. เช่นเรื่องของความเป็นมาของพระพุทธศาสนาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร mm. สิ่งที่ทำให้มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมานี้ mm. ก็เกิดจากพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าสามประการด้วยกัน คือหนึ่งพระปัญญาที่คุณสองพระบริสุทธิ์ที่คุณและสามพระกรุณาที่คุณเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดพระพุทธศาสาตร์สา้าขึ้นมาในโลกนี้ได้เริ่มต้นด้วยพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้า ทรงได้ค้นคว้าได้ศึกษาทางเพื่อให้ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่พระองค์ได้ทรงไปเห็นเทวทูตสีได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวช เวลาที่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ทรงมีความทุกข์ระไทยเป็นอย่างมากอยากที่จะหาวิธีดับความทุกข์ทางใจนี้ให้ได้ก็ทรงเห็นว่าทางของผู้เป็นนักบวชนี้เท่านั้นที่จะสามารถพบกับทางสู่การ ดับความทุกข์ทางใจได้ mm hmm. ก็เลยส่งออกบวช mm hmm. แล้วก็ส่งศึกษาหาปัญญาหาความรู้ที่มาที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจ mm hmm. ที่เกิดจากการได้พบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตาย mm hmm. ก็สรงไปศึกษากับผู้อาจารย์อยู่หลายรูปด้วยกัน แต่พระอาจารย์เหล่านั้นก็สอนวิธีดับความทุกข์ได้แบบชั่วคราวคือการทำใจให้สงบด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานระดับต่างๆเวลาใจสงบใจเข้าฌานระดับต่างๆใจก็ไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวของร่างกายไม่ต้องมารับรู้เรื่องของความแก่ความเจ็บ ความตายของร่างกายตอนนั้นความทุกข์ก็ระงับไปหายไปแต่หลังจากที่ได้ทรงออกมาจากสมาธิพอได้กลับเข้ามารับรู้เรื่องของร่างกายใหม่พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาใหม่จึงทรงรู้ว่าการเข้าสมาธิการเข้าฌานนั้น เป็นการระงับดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวแต่ยังไม่สามารถระงับดับความทุกข์ได้อย่างถาวรจึงทรงไปค้นคว้าหาด้วยพระ อ, องค์เองเนื่องจากว่าไม่สามารถศึกษาจากผู้ใดแล้วไม่มีผู้ใดรู้ว่าทําอย่างไรเวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้เข้าฌาน ทำยังไงไม่ให้ใจทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายหลังจากที่ได้ทรงลองผิดลองถูกคิดค้นไปคิดค้นมาในที่สุดพระ อ, องค์ก็ทรงค้นพบสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายสาเหตุก็คือความอยากของใจนี่เอง ความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆนั่นเองอยากจะมีตาหูจมูกลิ้นกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้ตะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปเสกกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาในใจนั่นเองความอยากอันนี้นะความอยากไม่สูญเสียร่างกายความอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากใจก็จะทุกข์นั่นเองแล้วก็เลยท่งคนพบว่าการที่จะทำให้ความทุกข์นี้ หายไปจากใจก็ต้องระ ง, งับความอยากนี้ให้ได้หน้าการที่จะระ ง, งับความอยากนี้ให้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามรคมรค ก, ก็คือเครื่องมือเครื่องมือในการระ ง, งับดับความทุกข์ใจก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติมา สองระดับแล้วคือระดับศีลและระดับสมาธิขาดระดับปัญญาว่าปัญญาคือความรู้อะไรที่จะทำให้ความอยากต่างๆนั้นหมดไปจากใจในที่สุดก็ส่งคนเพราะว่าความรู้ในพระไตรลักษณ์นี่เองความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็ได้ความสุขแต่พอสิ่งนั้นเสื่อมไปก็ทําทให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกใจ <S <S ก็เกิดความสุขขึ้นมาพอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้เสพได้สัมผัสนั้นหมดไปใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธะต่างๆนี้ให้คงอยู่คู่ไปกับใจได้ตลอดเพราะเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศไม่มีตัวตนมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เกิดการแปรปลนีนเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดา เมื่อทรงเห็นสิ่งที่ใจอยากได้คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆนี้เป็นใจรักเป็นทุกข์สรุปก็คือเป็นทุกข์ถ้าได้มาเราจะต้องทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภาคจากกาันเวลาที่เกิดการพัดภาคจากกันขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์ใจเสียใจไม่สบายใจขึ้นมานัลนเองดังนั้นปัญญาก็คือการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่าไม่เที่ยงทุกเพราะว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับหรือสั่งให้อยู่กับเราไปได้ตลอดนั้นออยู่กับใจไปได้ตลอด เมื่อทรงเห็นด้วยปัญญาในไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็เลยระงับความอยากได้รังับความอยากให้มีร่างกายเพราะการมีร่างกายมันก็เป็นทุกข์เพราะมีร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ทุกข์อีก <Yeah. S 1> ก็เลยสรุปว่าต้องเห็นไตรลักษณ์ ในรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะในตาหูจมูกเนืนงกายในร่างกายเมื่อเห็นเป็นทุกข์ก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายมันจะต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกเนืนงกายแล้วก็ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะที่จะมาคอยป้อนให้กับ ใจอยู่เรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใจจะสามารถเรียกรือสั่งได้ตลอดเวลามเมื่อทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจลับความอยากได้อะไรก็เลยหายไปก็เลยทรงค้นพบวิธีดับความทุกข์ดับด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือมรรคแปดนี่เองอ สีนสมาธิปัญญานี่ก็เป็นองค์ประกอบของมรรคแปดเช่ชชนศีลก็ประกอบด้วยสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาชโวชแปลว่าการกระทำที่ถูกต้องคือการไม่ฆ่าจัดไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีสัมมาวาจาคือการ <c oughs> ไม่พูดไม่พูดปดไม่พูดคำยาไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดสอดเสียยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันแล้สัมมาชิวูก็มีอาชีพที่ที่ถูกต้องคืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนสร้างความเสียหายสร้างการเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของศีลมรคแปดแล้วกลุ่มของสมาธิก็มีอยู่สาม สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบเพียรอะไรก็เพียรรักษาสิงเพียรไม่กระทำบาปแล้วก็เพียรเจริญสติเพียร น, นั่งสมาธิเพื่อให้ได้เกิดสัมมาสติให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาสัมมาสติก็คือการเละลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อบังคับไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นในลําเลกยูรู้อยู่กับคําบิกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้<ม>หรือให้ลัลเลกอยู่กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆของร่างกายก็ได้แทนใช้คาว่าพุทโธก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่ให้รู้อยู่กับเรื่องที่ใจที่ร่างกายกำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาสติมีสติเพื่อเราเลิกรู้เพื่อระงับความคิดต่างๆถ้ามีสติมากก็สามารถที่จะนั่งสมาธิให้เข้าสู่สัมมาสมาธิได้ สมาสมาธิก็สมาธิที่สงบนิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งปราศจากการรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์คือนิ่งอยู่กับความว่างนิ่งอยู่กับอุเบกขานิ่งอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้เรียกว่าอัปนาสมาธิถ้าจิตสงบแล้วไม่นิ่งออกไปรู้เรื่องราวต่างๆ เช่นไปรลึลกชาติได้ไปติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับเทวดาเปรตผีได้หรืออ่านวาลจิตของผู้อื่นได้สิ่งนี้เรียกว่าเป็นอุอปจารสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ไม่ถูกต้องเพราะไม่เป็นสมาธิที่จะสนับสนุนการระงับความอยากต่างๆ ด้วยปัญญาต่อไปนั่นเองดังนั้นสมาธิก็มีทั้งสัมมาสมาธิและวิจาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือทําจิตให้นิ่งสัตว์ว่ารู้อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับอุเบกขาการจะระงับความอยากต่างๆได้ใจต้องมีอุเบกขาต้องต้องเฉยได้ เวลาเกิดความอยากก็เฉยได้ไม่ทำตามความอยากถ้าไม่มีอุเบกขาจะเฉ ย, ยไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญาที่จะบอกว่าความอยากนี้เป็นทุกข์เป็นตัวสร้างความทุกข์แต่ก็ทนความความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีอุเบกขามีสัมมาส ม, มาธิก็จะสามารถสู้กับความอยากได้ ฝืนความอยากนั้นไม่ทำตามความอยากได้อันนี้คือสัมมาสมาธิสัมมาสติก็คือการไม่คิดอะไรให้ให้รู้เฉยๆรู้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวรู้อยู่รู้รู้อยู่กับกา ร, กรทาต่างๆของร่างกายเรียกว่ากายกตาสติถ้ารู้อยู่กับพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติ และเวลานั่งสมาธิหลับตาก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวเรียกว่าอานาปณสตินี่คือสัมมาสติสติที่ต้องไม่คิดสติที่คิดอย่างยาาโยงใช้ในเวลาทำงานเวลาทำงานก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่ทำแต่งานที่ยาาโยงทำมักจะต้องใช้ความคิดกันคิดวางแผนคิดแก้ไขปัญหา คิดทำอะไรต่างๆจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดถึง แ, แม้ว่าจะใช้สติจะมีสติแต่ก็เป็นสติที่ไม่ถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติมรรแปดเจะไม่สนับสนุนในการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิด้นั่นเองต้องเป็นสัมมาสติสติที่ไม่ต้องคิดอะไร น, นี่คือขั้นของสมาธิประกอบด้วยสัมมาวายาโม ความเพียงชอบเพียงเจริญสติเพียนนั่งสมาธิแล้วก็เจริญสติให้เป็นสัมมาสตินั่งสมาธิให้เป็นสัมมาสมาธิอพอได้สมาสมาธิได้อุเบกขาก็ไปเจริญปัญญาได้ปัญญาก็คือไตรลักษณ์นีเ่เจริญไปพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นร่างกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ สิ่งที่ใจอยากได้อยากหาความสุขด้วยนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของชั่วกราวเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสื่อมมีการดับไปได้ลาบมาแล้วก็ต้องเสื่อมลาบได้ยศมาแล้วก็ต้องเสื่อมยศได้สรรเสริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้นินทาได้สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสดผฏฐภาลแล้วเดี๋ยวก็จะได้ทุกข์ รดอได้ความสุขจากจากสมาธิก็เป็นก็เป็นเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะสมาธิก็เป็นเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน mm hmm. เวลาเข้าสมาธิก็มีความสุขมีความสงบพอจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็หายไปได้ mm hmm. ถ้าอยากได้อยากให้สงบต่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจ mm hmm. อันนี้ในที่สุดแม้แต่กระทั่งสมาธิทั้งระดับรูปฌปานและอารูปฌปานก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าเป็นตายรักเหมือนกันต้องปล่อยวางให้หมดไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องให้ความสุขกระจายเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วพอพิจารณาเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดก็ปล่อยวางหมด ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้คือสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักสัมมาสังกัปโปก็คือการพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตายรักอย่าไปยัดอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆ พรยึดจิตแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละคือทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพิที่เราเรียกว่าพระปัญญาที่คุณนั่นเองอพอพระพุทธเจ้าได้ส่งคนพิพระปัญญาที่คุณได้ปฏิบัติมากแฝดจนสมบูรณ์สิ่งที่ปรากฏตามมาก็คือพระไทยที่บริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความรักความชางังความกลัวความหนงต่างๆ ใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่าความสุขของพระนิพพานนี่เองนิบานังปร・รังสุขขังมลมมสุขเกิดจากการที่ทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการเจริญปัญญาคือมรรคแปถ้ามีมรรคแปดก็จะมีปัญญาที่จะสามารถมา กำจัดความอยากความโลภความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจพอไม่มีความหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็สะอาดปลอยสุดขึ้นมามีความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่สุขแล้วเดี๋ยวก็หายไปไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปกลับมาบ้านความสุขไ ด, ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไป ความทุกข์ที่ที่มีอยู่ในบ้านก็กลับมาหาเราใหม่แต่ความสุขของป้นนิพานนี่ความสุขของใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าเมื่อใจที่มีแต่ความสุขเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจ<ๆ>ก็เลยเกิดมีความการุณาขึ้นมา<ๆ><ๆ>เกิดมีความสงสารต่อสว์โลกที่ยังไม่ได้พบกับความสุขแบบนี้ ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทุกข์กับเรื่อ ง, องของร่างกายทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพากจากกัน mm hmm. ก็เลยทำให้เกิดมีความสงสาร mm hmm. อยากที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกจึงอุทิศเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตตอนที่พระองค์ทรงตัดสินนั้นมีพระชนมายุ3าพรรษา35ปี ก็เลยทรงบุธชีวิตที่เหลืออยู่ไปอีกสี่สิบ้าปีจนถึงวันตายบุธเวลาเหล่านี้ให้กับการสั่งสอนสัสตว์โลกให้เกิดปัญญาเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงเกิดขึ้นกับพระองค์คือสอนเรื่องมรรคแปดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้สัตว์โลกที่ไม่รู้วิธีการดับทุกข์ ของใจจะได้รู้จักวิธีดับทุกข์ของใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำและพอทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนด้วยพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏในผู้ที่สามารถเรียนและศึกษาและปฏิบัติตามได้จนสามารถทำให้ใจของตอนเองสะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้า หลุดพน้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ก็กลายเป็นพระสาวกขึ้นมาพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาการที่จะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ได้สิ่งที่จําเป็นจะต้องมีก็คือพระรัตนาตัยนั่นเองถ้ายังไม่มีพระรัตนาตายนี้ศาสนาพุทธยังไม่ถือว่าได้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆ ตอนนั้นยังไม่มีพระธรรมคำสอนเผยแผ่ยังไม่มีพระอริยสงสาวกบรรุธรรมกันต่อมาหลังจากนั้นสองเดือนหลังจากที่พระองค์ได้พิจารณาค่ายควรถึงความเหมาะสมและประกอบกับความพระไทยที่มีพระกรุณาที่คุณมีพระปัญญาคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณยังตัดสินพระทัยว่าจะ แบ่งปันความสุขที่ได้นี้ให้แก่สัตว์โลกด้วยการเผยแพ่สัจธรรมความจริงที่พระองค์ได้ทรงค้นพบ ค, คือพระอริยสัจสี่มรรคแปดตายรักนี่เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครรู้มาก่อนความรู้เหล่านี้พอนามาสั่งสอนเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชา ทรงแสดงทำให้แก่พระปัญจวัคคีพราเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความพร้อมที่จะรับพระปัญญาของพระพุทธเจ้าได้เนื่องจากพระปัญจวัคคีนี้มีศีลที่บริสุทธิ์สมบูรณ์มีสมาธิที่มั่นคงมีอุบเบกขาแต่ขาดปัญญาพอทรงแสดงปัญญาคือพระอริยสัจสี่ใจรักมรรคแปดให้แก่ พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันที<ๆ>เข้าเข้าถึงอริยสัจสี่เข้าถึงเข้าถึงการบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งคือบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาวันนั้นจึงเป็นวันที่พระพุทธศาสนามีพระรันาตนาตรัยปรากฏครบองค์มีพระพุทธเจ้า มีพระธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงและมีพระอริยบุคคลผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมขึ้นมาก็เลยมีมีพระรัตนตรัยครบองค์พอมีพระรัตนตรัยครบองค์นี้ก็ถือว่ามีพระพุทธศาสนาขึ้นมาในโลกนี้แล้วเพราะจะมีการนําเอาพระธรรมคําสอนอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ไม่รู้ต่อไปได้ เป็นจํานวนมากโดยมีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกที่ได้บรรลุแล้วนี้เป็นผู้นําเอาพระธรรมมาประเสริฐเอาปัญญาประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ใบเผยแผ่ให้กับผู้ไม่รู้ต่อไปพอผู้ไม่รู้ได้ยินได้ฟังได้นําเอาไปปฏิบัติก็เกิดมีพระอริยสงฆ์สาวกปรากฏเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับ เมื่อมีพระสงฆ์มากก็มีการเผยแผ่ธรรมได้มากขึ้นก็มีนักศึกษาได้เรียนรู้ได้มากขึ้นก็มีการได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับยุคแรกๆของพระพุทธศาสนานี้จึงมั่นถือว่ายุคทอ ง, ย, ทองยุคที่เจริญรุง่งเรืองอย่างแท้จริงเพราะมีการปรากฏของพระอริยบุคคลของผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรของพระพุทธศาสนาทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องพุกไม่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายและไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่ต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วเรารู้ว่าการมีร่างกายนั้นเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ต่างๆนั่นเองนั่นแหละคือศาสนาพุทธอยู่ที่พระรัตนตรย อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติและอยู่ที่การเผยแพ่พระธรรมคาสอนให้อย่างต่อเนื่องนะระยะแรกๆนี้ไม่มีฐา ว, วัตถุพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้สร้างวัดหลังจากตัดสรูแลไม่ไม่ได้คิดไปสร้างวัดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยคิดว่าจะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ที่ไหนคิดแต่จะสร้างพระอาหารหันตานั้นคิดแต่จะสแสดงธรรม ทรงไปแสดงธรรมตามสำนักต่างๆพอรู้ว่าผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในสำนักต่างๆเหล่านั้นมีความสามารถที่จะน้อมเอาน้อมนำเอาพระปัญญาของพระองค์ไปใช้ได้อย่างทันทีฟังธรรมเสร็จบรรลุได้ทั้งสำนักเลยก็มีไปแสดงให้กับนักบวชสำนักหนึ่งมีอยู่ห้าร้อยรูป หลังจากทรงสแสดงธรรมเสร็จปรากฏว่าผู้ที่ฟังทำทั้งห้าร้อยรูปนั้นบนรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ทั้งทั้งบดพร้อมกันเลยแล้วท่านหลังนี้ก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาต่อแล้วก็ทาหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้านำเอาธรรมะอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโรนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปยุคแรกๆนี้ไม่มีการสร้างวัดสร้างถาวรและวัตถุต่างๆ แต่ต่อมาเมื่อมีผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสที่เป็นคาราวะผู้ของเรือนที่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติขั้นของนักบวชได้ก็อยากจะปฏิบัติขั้นของคาราวะคือด้วยการทำบุญทำทานยังมีการสร้างวัดถวายให้แก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้อยู่กัน อันนั้นเป็นที่มาต่อมาหลังจากที่มีมีพระรันตนใจมีพระอริยบุคคลจำนวนมากช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้แก่สัตว์โลกเนี่ยยุคแรกๆพระต่างๆที่บวชในพระพุทธศาสนานั้นท่านอยู่แบบมักน้อยสันโดษกันตามที่พุะเจ้าทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ลุกขมลาเสนาสนังให้ใช้การบินทบาท เป็นการยังชีพให้ใช้ผ้าบางสกุลคือผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าคือผ้าหออศพนี่เองเอามาซักเอามาย้อมเอาม า, เ, เอามาตัดเอามาตัดเอามาเย็บให้เป็นจีวรแล้วก็ให้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ดื่มดื่มยาดองด้วยน้ํามู ด, mm hmm. ดคือน้าปัสสาวะนี่องอันนี้เป็นวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บในยุคพุทธกาล รักษากันแบบธรรมชาติสมุนไพรนี่คือปัจจัยสี่ของของพระในยุคแรกๆของพระพุทธศาสนาไม่มีใครสนใจที่จะไปสร้างทาวารละวัตถุต่างๆพระแต่ละรูปที่บรรลุที่สที่ที่บวชก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งนั้นท่านก็มุ่งไปที่การเผยแผ่สั่งสอนสร้างพระอาหารหันต์มากกว่าสร้างทาวารและวัตถุต่างๆ เพราะฐานวัตถุนี้มีคุณประโยชน์น้อยกว่าการมีพระอาหารหันต์ฐาน ว, วัตถุเช่นวัดโบสถ์เจดีย์นี้ไม่สามารถเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้แต่ถ้ามีพระอาหารหันต์แม้แต่เพียงรูปเดียวนี้ก็สามารถที่สั่งสอนคนที่ไม่รู้ธรรมะนี้ให้รู้ได้เป็นจำนวนเป็นหมืน่นเป็นแสนได้เพราะเมื่อสอนแล้วก็จะมีผู้บรรลุ เมื่อมีผู้บรรลุผู้บรรลุก็จะช่วยสั่งสอนต่อไปเช่นในยุค ป, ปัจจุบันของเราพวกเราคงจะเคยได้ยินชื่อเสียงของพระอาจารย์มั่นพูริดัตโตหนึ่งที่เราเรียกว่าหลวงปู่มั่ น, นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษาไปบวชไปศึกษาอยู่กับท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจานวนมาก เช่นหลวงปู่ต่างๆที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นท่านพ่อรีหลวงตามาหาบัวหลวงปูล่ลวยหลวงปู่อะไรเยอะแยะไปบมดท่านหล่านี้เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้น แล้วท่านก็ไปตั้งสำนักสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษาก็ท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจํานวนมากท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้ไปสนใจกับการเรื่องสร้างถาวรและวัตถุเลยว่าที่ท่านอยู่ก็อยู่แบบแบบเรียบง่ายมีที่หลบแต่หลบฝนก็พอขอให้เป็นที่สงบเงียบสงัด ไม่ได้สนใจกับการสร้างทาวราวัตถุสวยๆงามๆเช่นโบสถ์หรือเจดีย์อะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะท่านรู้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ว่าทาวรรวัตถุนี้ไม่ได้เป็นตัวสําคัญของศาสนาตัวสําคัญของศาสนาก็คือพระธรรมคาสั่งคําสอนและพระธรรมคำสั่งคํา ส, สอนจะอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้ นางก็ต้องมีพระอริยบุคคลมีพระอรหันมาเป็นผู้เผยแผ่สั่งสอนท่านจึงเน้นไปการสร้างพระกันสร้างพระสร้างพระเพื่อที่จะได้มาทําหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนต่อไปในหลวงราชการที่9นี้ท่านก็เคยจะขอถวายสร้างโบสถ์ให้กับวัดป่าบ้นตากน้องตาท่านก็ปฏิเสธไป ท่านก็บอกว่าท่านสนใจในการสร้างพระมากกว่าการสร้างถาวรลวัตถุพอ <Yeah. S 1> ในหลวงได้ยินคําตอบท่านก็เข้าใจว่าการสร้างพระอาหารหันต์นี้สําคัญกว่าการสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างอะไรร้อยแปดพันประการ <Yeah. S 1> ถาวรลวัตถุต่างๆในพุทธศาสนานี้ไม่สามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีพระอาหารหันต์พระ ที่สำเร็จแล้วนี่อยู่ในโลกนี้ถึงแม้ยังจะมีวัดวารามต่างๆอยู่วัดวารามเหล่านั้นก็ไม่สามารถเผยแผ่สั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อีกต่อไปาศาสนาก็จะเหลือแต่เปลือกพวกถาวลวัตถุนี้ถือว่าเป็นเหมือนเปลือกของาศาสนาตัวเนื้อของาศาสนาก็คือพระรัตนตรยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนั่นแหละคือที่มาของการ การเป็นมาของพระพุทธศาสนาการเป็นมานเริ่มต้นจากการที่พระพุทธเจ้านีิส่งเห็นความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายและทรงมีความปรารถนาที่อยากจะพ้นทุกข์ยังได้ออกบวชเพื่อศึกษาหาความรู้หาวิธีดับความทุกข์จนในที่สุดก็ทรงค้นพบความรู้คือพระอริยสัจสีตายรักไม่มากแบก เป็นปัญญาเป็นความรู้ที่พระองค์ได้ส่งเรียนรู้ด้วยตนเองพระองค์จึงปรากฏมีพระปัญญาที่ขุณขึ้นมาเป็นอันดับแรกพอมีพระปัญญาที่ขุณแล้วสิ่งที่ตามมาต่อไปก็คือพระบริสุทธิ์ที่ขุณใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะเมื่อมีปัญญาปัญญาก็จะชะําระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ต, ตัวที่สร้างความทุกข์ให้ให้กับใจจนหมดสิ้นไป เมื่อกิเลสตัณหาถูกชำระด้วยปัญญาหมดสิ้นไปใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจก็มีบริสุทธิ์ที่ขุณขึ้นมาเมื่อใจมีบริสุทธิ์ที่ขุณใจก็มีความสุขตลอดเวลาก็เกิดความสงสารผู้ที่ยังไม่มีความสุขเหมือนพระองค์ผู้ที่ยังทุกข์ยังเดือดร้อนต่างๆก็เลยสงสารอยากจะช่วยเหลือเของยังอุทิศเวลาที่เหลือของชีวิต ให้กับการเผยแพ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปตลอดสี่สิบห้าพรรษานี้ท ร, ทรงทรงทพุทธกิจอยู่ห้าข้อด้วยกันสี่ข้อนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเผยแผ่ธรรมตรงนั้นมีข้อเดียวที่เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงร่างกายของพระองค์คือการออกบินทะบาทพุทธกิจห้ามีห้าข้อข้อที่หนึ่งทรงออกโปรดสัตว์บิณทบาทตอนเช้า แล้วในยามบายเช่นตอนนี้ก็จะโปรดญาติโยมคาวาะญาติโยมแสดงธรรมแสดงธรรมะสั่งสอนวิธีการดับทุกข์ให้แก่ให้แก่ศรัทธาญาติโยมนํำมาไปปฏิบัติในตอนค่ำก็สั่งสอนอพระนักบวชคือภิกษุภิกษุณีสั ม, มเณยสั ม, มเนริให้รู้จักวิธีการปฏิบัตมปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ และในยามดึกก็ทรงสแสดงทำให้กับเทวดา mm hmm. พระพุทธเจ้านี้มีความสามารถติดต่อกับเทวดาได้เพราะพระองค์มีความสามารถที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิได้ mm hmm. แต่ตอนที่ทรงบำเพ็ญ น, นี้ไม่ไม่เคยใช้อุปจารสมาธิเพราะอุปจารสมาธิไม่มีคุณประโยชน์ต่อการกำจัดกิเลส ต, ตัณหาที่มีอยู่ในใจ แต่หลังจากที่ได้ทรงตัดสั้ทรงทรงพ้นจากทุกข์แล้วก็ทรงใช้อุปจารสมาธิมา ใ, ใช้ในการเผยแผ่สามารถสั่งสอนพวกเทวดาได้เทวดานี้จะเรียนธรรมะได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกที่มีอภิญญาคือมีความสามารถเข้าอุปจารสมาธิได้ แล้วก็สามารถติดต่อกับเทวดาได้ในยุคปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นนี่ท่านก็มีอยู่ปัจจารสมาธิท่านก็เล่าว่ามีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมกับท่านอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์แต่สามารถเอาความสามารถพิเศษนี้มาช่วยโปรดให้กับสัตว์โลกคือพวกเทวดาได้ เพราะพวกเทวดาเขาไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราเขาไม่สามารถมานั่งฟั ง, ง, ฟงธรรมเหมือนกับพวกเราฟังมันได้เขาต้องรอให้มีการติดต่อผ่านทางอภิน ญ, ญาทางปรัชทางทางทางอุปจารสมาธิเพราะนั้นพระอรหันต์ที่ไม่มีอุปจารสมาธิก็จะไม่สามารถสั่งสอนพวกเทวดาได้ต้องเป็นพวกที่มีอุปจารสมาธิซึ่งก็มีไม่มาก เพราะว่าพระที่เป็นบรรลุเป็นพระหลานนี้ไม่ได้ทุกรูปที่จะบรรลุที่จะมีอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตนมีได้กับคนบางคนเท่านั้นเองดังนั้นถ้าท่านปฏิบัติแล้วไม่ได้อุปจารสมาธิก็อย่าไปกังวลเพราะไม่จําเป็นต่อการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ และดีสิเพราะว่าถ้าเราเป็นมีอุปจารสมาธิเราอาจจะไปหลงไปทางอุปจารสมาธิไปดูกายทิพย์ไปติดต่อกายทิพย์ไปเที่ยวนโลกไปเที่ยวสวรรค์เราก็อาจจะเสียเวลาในการที่จะมาทาใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาถ้าเราไปยุ่งกับเรื่องอุปจารสมาธิเราก็จะไม่มาทาอัปปนาสมาธิไม่มาสร้างอุเบกขากัน พอเราเจอกิเลสเราก็จะหักห้ามจิตใจไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้อย่างเช่นพระเทวทัพนี้ท่านก็มีความสามารถที่จะเท่าอุปจารสมาธิได้ท่านมีอภิญญามีความสามารถมีฤทธิ์มีเดชจึงทำให้ท่านหลงตัวเองว่าท่านเก่งแต่พอเจอกิเลสมาหลอกให้ให้เป็นใหญ่เป็นโตก็เลยห้ามใจไม่ได้ถึงกับต้องไปขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า ขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์ต่อจากพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าใจของพระเทวทัตนี้ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหายังไม่ได้หลุดพ้นยังไม่ได้เป็นใจที่สะอาดบริสุดไม่สามารถปกครองสงฆ์ไม่สามารถสั่งสอนผู้ที่มีกิเลสให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้สิ้นกิเลสได้เลยไม่ทรงอนุญาตพอพระพุทธเจ้าไม่อนุญาต เทวทัตก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเมื่อไม่มีออเบขาก็ไม่ไม่สามารถยับยั้งความโกรธได้เพราะเกิดความโกรธก็คิดจะทำร้ายพระพุทธเจ้าไปจ้างคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็ฆ่าไม่ได้ไหวช้างให้ลงมาเหยียบพระพุทธเจ้าก็เหยียบไม่ได้เกรงเห็นจากภูเขาลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้พยายามฟงพระชนกพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกัน าการกระทำบาปอันนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมกรรมที่หนักที่สาหัสที่ผู้กระทำเมื่อได้กระทำแล้วนี้จะต้องไปตกนรกเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะทําบุญมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าลองได้ทําอนันตริยกรรมนั้นบุญต่างๆที่ได้ทำนี้จะไม่สามารถยับยั้งอนันตริยกรรมนี้ได้ตายไปก็ต้องไปตกนรกอย่างแน่นอนพระเทวทัตก็ทําอนันตริยกรรม อนันตริยกกรรมมีอยู่ห้าข้อคืออะไรบ้างข้อหนึ่งคือการฆ่าพ่อสองการฆ่าแม่สามการฆ่าพาาระอรหันต์สี่การทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและหการทำให้สงแตกแยกพระเทวทธธัตทำสองข้อหลังกิ่ง ก้อนหินใหญ่ลงมาเพื่อจะทําให้ท้พระพุทธเจ้าแต่ก้อนหินก็ไม่โดนมีแต่สะเก็ดหินไปทําใหพ้พระบาทของพระพุทธเจ้าห้อเลือดทันแล้วก็ไปยุยงให้สงแตกแยกไม่ให้เคารพพระพุทธเจ้าให้มาเคารพตนอันนี้คือคืออนันตฤกยกรรมที่ทําให้พระเทวทัตถึงแม้ว่าได้มบวชหลายสิบปีด้วยกัน บุญที่ได้จากการบวชนี้ไม่สามารถที่จะมายับยั้งอนันตรายกรรมนี้ได้เพราะเวลาตายไปนี้จะต้องไปตกตะลกเพีงอย่างเดียวแต่มีส่วนดีอยู่ส่วนหนึ่งของพระเทวทัตคือตอนก่อนตายนี้ก่อนจะถูกธรณีสุขนี้ขอถวายกรามให้กับพระพุทธเจ้าขอขามาลาโทษการขอขามาลาโทษการสำนึกในความผิดของตอ น, นี้ เป็นคุณประโยชน์แก่พระเทวทัตคือหลังจากที่ตายไปไปตกนรกแล้วพอพ้นจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ mm. ก็จะสามารถกลับมาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต่อได้จนบรรลุเป็นพระปัจิกบพุทธเจ้าต่อไปได้นี่ก็คือเรื่องของอุปจารสมาธิเอามาเล่าเอามาฝากท่านเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้นมัดระวังถ้าเกิดว่าท่านมี มีอุปนิสัยมีความสามารถที่จะไปทางอุปจาระสมาธิได้ตอนนี้อย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปเล่นกับมันมันเป็นเหมือนไฟเรายังเป็นเด็กอยู่ถ้าเราไปเล่นกับไฟแล้วเดี๋ยวจะโดนไฟมันไหมเอาได้รอให้เราเป็นผู้ใหญ่ก่อนรอให้เราเป็นพระอราหันต์ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าก่อนแล้วเราจะรู้สักวิธีเล่นกับไฟได้อย่างเอาไฟมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเอาไฟมาหุงต้มได้ พอไฟมาทําให้เป็นเครื่องอบอุ่นต่อต่อบ้านได้แต่ถ้าเราใช้ไฟไม่เป็นไฟมันอาจจะมาไมหม้ตัวเราเองก็ได้อุปจารสมาธิก็คืออภินยาต่างๆลิเดชต่างๆอย่าไปเล่นกับมันอย่าไปยุ่งกับมันถ้าใจเรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะมันจะทําให้เราไปทําบาปได้โดยไม่รู้สึกตัวด้วยความหนุคิดว่าเราเก่งเราวิเศษ แล้วมันก็จะทําทให้เราต้องไปตกนรกต่อไปไปใช้กรรมแทนที่จะหลุดพ้นจากการมีว่าตายเกิดฉะนั <S <S ้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งเฉยเฉยไม่อยู่กับอุเบกไม่อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบออกไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ <S <S ไปแล้วเลือกชาติได้ไปอ่านจิตใจของคนอื่นได้อ่านว่าคนนี้กําลังนั่งคิดอะไรอยู่อันนี้อย่าไป ไปแล้วมันจะติดมันจะมันจะชอบมันเหมือนกันเล่นเกมพอเล่นเกมแล้วมันก็นติดแตนั่งสมาธิเทย์ไลก็อยากจะออกไปทางอุปจารสมาธิจะไม่สนใจกับอั ป, ปนาสมาธิจะไม่สนใจกับการทําจิตใจให้นิ่งให้สงบให้มีอุเบกขามากๆพอจากอุปจารสมาธิมานี้ใจจะไม่มีอุเบกขาเลยเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากนี่ก็จะสู้ไม่ไหวทนไม่ไหว อย่างพระเทวทัตเป็นต้นดังนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของสมาธิว่ามีทั้งสัมมาสมาธิน ะ, ม, ะมีทั้งมีทั้งมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คืออุปจารสมาธิการที่เรามีความสามารถพิเศษต่างๆนี้อันนี้รอให้เราสําเร็จ งานของเราก่อนเจ็ดงานของเราก่อนชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นกับอุปจารสมาธิได้ถ้าเราอยากจะอ่านใจของคนที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมว่าตอนนี้ใจเขาติดอยู่ที่ตรงไหนก็สามารถแสดงธรรมไปที่จุดนั้นได้เลยคนบางคนเขาบอกว่าเวลาไปฟังธรรมของครูบาอาจารย์นี้ไม่ต้องถามท่านเลยพอไปถึงท่านก็ตอบคาถามให้กับเราก่อนแล้ว มือนกับว่าท่านรู้ใจเราสแสดงว่าใจท่านมีท่านมีความสามารถที่สามารถอ่านใจของผู้อื่นได้แต่ตอนที่เรายังปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นนี้เราอย่าไปสนใจกับคนอื่นคนอื่นเขาจะคิดอะไรอย่าไปคิดอย่าไปยุ่งด้วยเดี๋ยวจะทําให้เราปวดหัวตางเขาได้เพราะเรายังมีกิเลสอยู่เราต้องปฏิบัติให้ใจของเราบริสุทธิ์ก่อนไม่มีกิเลสแล้ว เมื่อใจสาดบริสุทธิ์แล้วนีจะไม่มีการกระทาที่เป็นอคติที่เป็นพิษเป็นภัยกับใครไม่เป็นพิษภัยกับตนเองและไม่เป็นพิษภัยกับผู้อื่นแต่ถ้าใจยังมีอคติอยู่ยังมีความรักมีความชังมีความกลัวความหลงอยู่เวลาจะทําอะไรนี้มักจะถูกอคติครอบงำครอบ ง, งาทำด้วยความรักทาด้วยความชังทาด้วยความกลัวทำด้วยความหลง ก็จะทำไม่ไม่ถูกต้องไม่ไม่ยุติธรรมงั้นการกระทำอะไรเราจะต้องทำด้วยใจที่สะอาดบอยสุทําทำตามหลักเหตุผลทำตามหลักวิชาการถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะมันจะสอนแบบไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงถ้ามีอคติมาครอบงมจิตใจจิตใจยึงยังเป็นจะต้องเป็นจิตใจที่สะอาดบริบสุทเสียก่อนถึงจะสามารถ สอนธรรมะให้แก่ผู้ได้อย่างบอยสุดใจไม่ได้สอนเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้ฟังบางทีเลือกสอนสอนคนที่มีเงินคนที่ไม่มีเงินก็ไม่อยากสอนถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าใจยังมีคติอยู่ใจไม่ได้ยืดที่หัวใจเป็นหลักหัวใจของคนทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหัวใจของคนจนหรือหัวใจของคนรวยนี่ต้องการพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคนแล้วก็ การผู้ที่มีอคตินี้ก็เวลาฟังเวลาทำอะไรก็มักอยากจะได้ของตอบแทนนั่นเองถ้ามีอคติครอบงำใจแต่ถ้าใจไม่มีอคติแล้วนี้เวลาทาอะไรนี้ไม่เคยคิดถึงผลตอบแทนที่จะที่ตนเองจะได้รับเลยนอกจากความมีความสุขใจที่เกิดจากการได้กระทำความดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นท่นั้นก็พอแต่ถ้าใจและบางทีก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นเสียด้วยซ้าไป เพราใจที่ไม่มีอคติใจที่มีแต่ความบริสุทธิ์นี้จะเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่ต้องการมีความสุขเพิ่มเติมเพราะเติมไม่ได้เพราะมันเหมือนน้ำที่ล้นแก้วเติมน้ำเข้าไปอีกมันก็ไม่ไม่ทำให้น้ำในแก้วนั้นมีมากขึ้นไปใดงใดน้ำที่เต็มแก้วแล้วพอเติมเข้าไปน้ำมันก็จะล้นออกมาอยู่ดีปริมาณน้าก็เท่าเดิมความสุขประโยชน์ของใจที่ได้ ที่ที่บอยสุดนี้ก็เป็นเช่นนั้นเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปได้วยความสุขยังทำํำรายนี้ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนจากใครเลยทําด้วยความเมตตาสงสารอย่างแท้จริงทําด้วยพระกรุณาธิคุณอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกระทําไม่เคยเรียกร้องขอข อ, ขอเงินขอทองไม่มีการเรียลัยเงินทองต่างๆ แต่ถ้าก็ไม่ปฏิเสธถ้ามีผู้ที่มีปารานาที่อยากจะทําบุญเช่นเศรษฐีบางคนก็ขอสร้างวัดถวายพระองค์ก็ส่งอนุ ญ, ญาตให้สร้างได้พระราชามหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันสร้างวัดถวายท่านก็อนุ ญ, ญาตให้สร้างได้แต่ไม่ได้ออกมาจากความอยากได้วัดได้อะไรต่างๆรับไว้เพราะเป็นการสงเคราะห์ผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ ทำได้แต่การบรยจากท่านก็ให้เขาได้ทำทานไปก่อนใจไม่มีความอยากได้อะไรจากผู้ที่ทร ง, ทรงแสดงธรรมเลยจากผู้ที่ทรงช่วยเหลือเลยมีแต่ความปรารถนาให้เขาต้องการให้เขาได้พ้นทุกข์เพียงอย่างเดียวทั้งเองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ก็ไม่รู้สึกเสียพระไทย ถ้าทรงสอนแล้วเขาไม่สามารถน้อมนําำอาไปปฏิบัติได้เขาไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดัง น, นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมของเขาไปแต่ใจของผู้ที่บริสุทิ์นี้จะไม่มีความรู้สึกดีใจหรือเสียใจจากผลที่ได้รับจากการกระทําของตนทำไปแล้วก็จบไปจะได้ผลมากผลน้อยก็เป็นเรื่องของผู้รับไปผู้รับเป็นผู้ที่จะนําเอาไป ทำประโยชน์ต่อไปผู้ศึกษาผู้ที่มาฟังเทศฟังธรรมนี้เมื่อฟังแล้วก็อยู่ที่ผู้ฟังว่าจะเอาไปทําประโยชน์ให้กับตนได้มากได้น้อยซึ่งก็มีความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกันบางคนก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ผลมากบางคนก็นำเอาไปปฏิบัติได้ผลน้อยแต่คนถอนก็ไม่รู้สึกดีใจหรือเสียใจไปกับผู้ที่ได้มากหรือได้น้อย เพราะเข้าใจตามหลักของความเป็นจริงว่าคนเหล่านั้นมีกรรมมาไม่เหมือนกันมีการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆมาไม่เท่าเทียมกันพื้นฐานของการที่จะนําเอาความรู้ความความรู้ต่างๆไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อ น, นี้มีต่างกันเคยมีการสร้างบา ร, รมีมาไม่เท่ากันนั่นเองบา ร, รมีที่เคยสร้างมานี้ก็มีอยู่สิบประการเช่นทาน เช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีได้คัมมาบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีอันนี้ตัจจะบารมีบารมีเหล่านี้แหะที่จะเป็นสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องมือ เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามี บ, รมบรารมีมามากก็สามารถนําเอาไปศึกษานาเอาไปปฏิบัติและได้ผลอย่างรวดเร็วก็มียังมีความแตกต่างกันในผู้ปฏิบัติในผู้ปฏิบัตินี้บางท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจวันหรือบางครั้งเพียงแต่ได้ยิน ได้ฟังรมเพียงครั้งเดียวก็บรรลุได้ซึ่งท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่มีบันทึกไว้ในพระตไตรปิฎกนะบางคนเพียงแต่ถามคำถามได้คำตอบก็บรรลุธรรมได้บางคนฟังเทศครั้งเดียวก็บรรลุธรรมได้บางคนก็ต้องใช้เวลาศึกษาเอาไปปฏิบัติเจวันถึงจะบรรลุได้ บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีความแตกต่างเหล่านี้มันเกิดจากการสร้างบุญบรารมีมาในอดีตนั่นเองว่าได้สร้างมามากมากน้อยเท่าไหร่นั่นเองถ้าสร้างมามากมีบรารมีมากโอกาสที่จะบรรลุสำเร็จก็จะเร็วจะง่ายกว่าคนที่มีบรารมีน้อยมีบางคนนี้มีบรารมีน้อยนี้ กว่าจะสร้างอะไรแต่ละอย่างกว่าจะทำบุญทำทานได้ก็ยากกว่าจะรักษาศีลได้ก็ยากกว่าจะฝึกนั่งสมาธิได้ก็ยากกว่าจะเข้าใจเข้าถึงปัญญาได้ก็ยากเพราะไม่มีของเก่ารองรับนั่นเองถ้าในอดีตชาติเคยทำทานมาแล้วเคยสร้างทานบารมีมาแล้ว응เคยรักษาศีลมาแล้ว응 <ứng. S 1> คอยนั่งสมาธิมาแล้วคยเคยศึกษาธรรมะมาแล้ว พอมาถึงชาตินี้มันก็จะทําให้การกระทําสิ่งอะไรนี้ง่ายเพราะว่าเคยทํามาแล้วนั่นเองเคยเคยทำทานมาแล้วเมื่อมาเกิดใหม่ก็จะทําทานต่อเคยรักษาศีลมาแล้วเมื่อมาเกิดใหม่ก็จะรักษาศีลต่อเคยเคยออกบวชเคยเคยถือศีลเ น, นี่ยขมมะเคยศีลแปดก็จะมาถือศีลแปดต่อในวันพระ หรือวเวลาที่มีเวลาว่างอยากจะไปถือศีลแปดอยากจะไปเจริญอุบเบกขาก็คือไปไปฝึกนั่งสมาธิก็จะไปได้แต่คนที่ไม่เคยทํามาก่อนนี้ยังจะไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีกําลังที่จะผักดันไปเพราะว่าบารมีที่สร้างมามีน้อยนั่นเองจึงต้องจึงต้องมาเสียเวลาสร้างบารมีใหม่ในชาตินี้ ถ้ายัางรักษาศีลไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ถ้ายัางไม่เคยทําบุญทําทานอย่างจริงจังก็ต้องพยายามทําอย่างจริงจังทําให้ติดเป็นนิสัยบังคั้ให้ทําเป็นรายวันรายเดือนไปเลยก็ได้อย่างบางบ้านเขาก็มีการทําบุญใส่บาตรทุกวันอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เคยทําก็จะไม่ทำํำแต่คนที่เคยทํามาแล้วหรือได้ถูกฝึกฝนอบรมมาแล้วตั้งแต่เด็กก็จะทํากันได้ง่าย ดังบุญบารมีเก่านี้มีส่วนในการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันของเราถ้าเรารู้สึกว่าเราทําบุญทําทานได้ง่ายนี้ก็แสดงว่าเราเคยทําบุญทําทานมาแล้วในอดีตชาติจึงทําให้การทําบุญทําทานของเรานี้ง่ายได้ถ้าเรารักษาศีลได้ง่ายก็แสดงว่าเราเคยรักษาศีลมาแล้วถ้าเราถือศีลแปดปฏิบัตินั่งสมาธิได้ ก็แสดงว่าเราเคยทำมาแล้วถ้าเราสนใจที่จะศึกษาธรรมะคาส่งคาสอนต่างๆสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เรายังไม่รู <c oughs> ้ก็เรียกว่าเรามีนิ ส, สัยมาทางนี้แนละ้วฝ่ายรู้ฝ่ายเห็นมีปัญญาเห็นความสำคัญของการมีปัญญาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่จะมาทำให้มีผลแตกต่างกันเวลาที่คนมาศึกษามาปฏิบัติ แต่ผู้แสดงก็จะไม่มีความรู้สึกเสียใจหรือดีใจไปกับคนนั้นและคนนี้เพราะเข้าใจถึงอดีตที่ผ่านมาความเป็นไปความเป็นมาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพวกเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญบารามีหรือเป็นบาปกรรมก็จะต้องเป็นผู้รับผลของ ของกรรมนั้นๆในปัจจุบันนี่บุญบารมีที่เราสร้างมา น, นี่มันส่งผลในปัจจุบันนี้ได้ส่งให้เราทําบุญได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นรักษาศีลได้ง่ายขึ้นนั่งสมาธิได้มากขึ้นฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะได้บ่อยขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของบุญบารมีเก่าที่เราเคยทํามาถ้าไม่ทํามาก็จะยากทําทานก็ยากรักษาศีลก็ยาก ฟังเทศฟังธรรมก็ยากนั่งสมาธิก็ยากแต่ก็ไม่เป็นไรยากก็ให้รู้ไว้ว่ามันยากเพราะเราไม่ได้ทามาก่อนแต่ถ้าเรามาพยายามทาเสียแต่บัด น, นี้เดี๋ยวไม่กี่วันข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นของง่ายได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ฝึกฝนได้นั่นเองตอนต้นก็ยากเมื่อก่อนเราไม่เคยว่ายน้าเราก็จะกลัวเราก็ว่ายน้าไม่เป็นพอจะหัดว่ายน้ำมันก็ยาก แต่พอไะว่พอไหวเป็นแล้วการไหว้น้ำมันก็ง่ายการกระทำาใไทุกอย่างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจากง่ายจากยากมันก็จะกลายเป็นของง่ายได้ขอให้เรามีความมุมานะมีความตั้งใจอย่างแ ก, ก่กล้าอย่างแรงกล้าที่จ ะ, ะพุทธปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราเท่านั้นถ้าเรามีแล้วเราก็จะสามารถทาในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทาได้ ถึงแม้ว่าเราจะช้ากับพูดก็ไม่เป็นไรช้าเร็วไม่สําคัญเพราะว่าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วผลได้เท่ากันเหมือนกันเพราะถึงนิพพานแล้วก็เป็นนิพพานเท่าเทียมกันไม่ใช่นิพพานสําหรับคนที่มาก่อนนี้ดีกว่านิพพานกับของคนที่มาหลังนิพพานก่อนหรือนิพพานหลังนี้มีผลเท่าเทียมกันให้ความหลุดพ้นแก่จิตใจเท่ากันทําจิตใจให้มีความสุขเท่าเทียมกันยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เท่าเทียมกัน ดังนั้นไม่ต้องกังวลถึงเวลาที่เราจะสําเร็จนะการสําเร็จนี้ขอให้สำเร็จกันแล้วช้าเร็วไม่สําคัญน่าจะสําเร็จได้ไม่สําเร็จได้ก็อยู่ที่ความมุมานะของเราความตั้งใจของเราความศรัทธาของเราในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าตามตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ได้ ปฏิบัติมักแปดให้ได้เจริญมักแปดให้ได้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้ได้ถ้าเจริญได้แล้วผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักบวชคาร ว, ว่าก็เจริญได้หญิงก็เจริญได้ชายก็เจริญได้เด็กก็เจริญได้คนแก่ก็เจริญได้เพราะว่าจิตใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เป็นหญิงไม่ได้เป็นเด็กจิตใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันหมดทุกคน เป็นผู้ที่มีกิเลสครอมงามจิตใจและสามารถปฏิบัติเอาธรำอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญานี้มากําจัดกิเลสตัณหาที่ครอบงามจิตใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อมัน่นมีความมุมานะที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรของทมของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังเท่านั้นแล้วเราก็จะได้ สำเร็จอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้ผรยะถ า, าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุจินังเปตานาังอุปกาปะติ เอชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสเมจัตุสัเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยธาณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจฉันโตสัพพารโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทีคาโยโกภาว พิวธทนสีลิตสนิจังวุธาประจายโนยาตารธัมมาวะทานติอายุวันโนสุข้าภาลังพาลูช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามต่อคําถามใครมีคําถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว ก็หลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามเพราะมีภารกิจอย่างอื่นต้องทาต่ อ, อใครอยากจะถามก็เข้ามาถามได้โดยตรงก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง youtube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับชมทาง facebook พระอาจารย์สชาติ405ท่าน YouTube พระอาจารย์สชาติไลฟ์250ท่าน YouTube Doctor V Channel 83ท่านวิทยุออนไลน์ Online, 13ท่านกลับเท้า16ท่านนาคุติ126ท่านรวมทั้งหมด893ท่านพระข้าพเจ้าท่านมีคำถามก็เชิญถามได้เลย าาารกร า, า, กากบสาธุข้าพาารเจ้าพูดใกล้ๆหน่อยเอาใกล้ๆปางกราบสาธุข้าพเจ้าพอดีคุณแม่ผมเพิ่งเสียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยังมีความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็อาลัยอาวรณ์อยู่ด้วยความรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกยังปฏิบัติต่อท่านได้ไม่ดีพอแล้วก็จะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมควรจะ วางจิตวางใจอย่างไรแล้วก็จากนี้ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรครับก็ในอดีตมันผ่านมาแล้วเราก็ไปแก้ไม่ได้ก็เอามาเป็นบทเรียนสอนเราว่าเราควรจะทําทหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ถ้าตอนนี้ท่านไปแล้วเราก็ยังทําหน้าที่ให้กับท่านได้คือทําบุญอุทิศไปให้ท่านอยู่เรื่อยๆ<ช>ทาบุญใส่บาตรทุกวันไปก็ได้ปฏิบัติถวายท่านอย่างนี้ได้ไหมครับ ก็มันไม่ได้หรอกศีลสมาธิปัญญานี่มันเป็นของเฉพาะตนแล้วมันช้ามันนานกว่าจะได้คุณปฏิบัติป้อมนี้ไม่หล่ะนะคุณได้ทันทีผลไม่มีแต่ถ้าทําบุญทําทานปุ๊บมันได้ผลทันทีนั่ก็ผุ้ทิดผลทางทานได้แต่ทางศีลสมาธิปัญญามันยังไม่เกิดเนี่ยมันเหมือพิ่งเอาปลูกต้นไม้เพิ่งเอาต้นไม้ลงดินดอกผลมันยังไม่ออก ครับผมนั่นก็วิธีที่จะอุทิศบุญพระเจ้าสงสารให้ทําบุญทำทานนี่นะครับพอาจารย์แล้วก็ช่วงหลังประมาณหกเดือนที่ผ่านมาผมหย่อนยานแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่นักมีติดโซเชียลติดอะไรบ้างก็ทําให้สมาธิแล้วก็สติถดถอยไปกลับมานั่งสมาธิมาเร่งความเพียรหม่ก็ไม่เหมือนเดิมจะควรจะปฏิบัติอย่างไรมี ขอคำแนะนำด้วยครับ อ, อก็ต้องใช้เวลาก็ต้องปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติให้มันถูกปฏิบัติปฏิบัติที่สติสติเป็นตัวที่จะทําให้เกิดผลแต่ถ้าเราไปนั่งเราไปคิดถึงผลที่เราเคยได้มันก็จะไม่เกิดงั้นอย่าไปคิดถึงผลที่เคยที่ผ่านมาแล้ว ให้เจรังสติให้จิตนิ่งให้จิตว่างไม่ให้คิดอะไรเดี๋ยวผลมันก็ตามมาอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ใช่ไหมถ้าใ ช, ใช่เวลานั่งสมาธิก็อยู่กับลมหายใจอย่าไปคิดถึงผลเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดเคยเกิดเมื่อไรทำไมวันนี้ไม่เกิดถ้านั่งคิดอย่างนี้ก็จะไม่มีวันเกิดครับอขอบคุณครัาาบสาธุครับอาจารย์ขออุทิศบุญสมกุศลให้ ไม่ได้หรอกก็บอกแล้วว่าทำบุญทำทาน ح ح> อยากจะทำให้หแม่เราไปเสียดายเงินทำไมทำฟรีไม่ได้หรอกชอบทำชอบบททิ่ของฟรีมันของฟรีมันยังไม่มีคำถามจากคุณถีรมังคโลพิกขูข่ค่ะกราบสาธุครับอาจารย์สภาวะพลังงานที่มันติดเครื่องอยู่ตรงหน้าอกตลอดเวลา เกิดเกดับดก็แสดงตรงนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นครับเมตตาครูอาจารย์ตอบเป็นธรรมทานด้วยครับอ๋อมันเป็นตายรักเยมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เราไปบังคับมันไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดมันก็เกิดหน้าที่ของเราก็ให้รู้เฉยๆไปรู้ว่ามันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับไปก็รู้ว่ามันดับไปไม่ต้องไปทําอะไรคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ มีเพื่อนเคยปรึกษาว่าเขามีร้านอาหารมีการขายอาหารทะเลเป็นการเลี้ยงชีพของครอบครัวเขาก็รู้อยู่ว่าเป็นการทำผิดศีลแต่เขาต้องประกอบพิจารเพื่อเลี้ยงครอบครัวลูกก็ได้แต่แนะนำว่าให้ทำบุญสวดมนต์แผ่เมตตาขอหัวใจกรรมให้สัตว์เหล่านั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่การแก้ถูกจุดใช่ไหมเจ้าคะใช่วิธีแก้ถูกจุดก็เปลี่ยนอาชีพท่นั้นเองไปขายผ้าขาย อยาขายอะไรก็ได้อย่าไปทำอาชีพที่จะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยจากคุณนะัทพลค่ะการเกิดความเบื่อหน่ายของการที่เราคิดเองว่าเราเบื่อหน่ายกับเกิดความเบื่อหน่ายของวิปัสสนานี้ต่างกันตรงฝั่งในใจตลอดไปถูกต้องไหมครับก็ไม่รู้เป็นกันนะที่เกียตอบคำถามนี้ลองไปทำดูเอาดีกว่า <c oughs> ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> มีคำถามจากทางยูทูบเจ้าค่ะอุปจาระสมาธิกับอับปปนาสมาธิต่างกันอย่างไรครับและสังเกตได้อย่างไรครับก็ต่างกันดังที่วันนี้เทศมาให้ฟังแล้วเนี่ยอุปจาระก็คือมันไม่นิ่งมันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆส่วนอัปปนาสมาธินี่จะนิ่งจะอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบ <c oughs> คําถามต่อไปเจ้าค่ะไปชอบคนอื่นอยากหยุด อยากหยุดชอบคิดถึงจะทําอย่างใดดีเจ้าคะก็คิดว่าเขาไม่เที่ยงนะทั้งวันหนึ่งก็ต้องมีการพล า, าดพาดจากกันเดี๋วคิดว่าเขาไม่สวยไม่งามไม่หลอไม่เห ล, เหลก็ได้ดูตับไตไส้พุงเขาบ้างดูสิ่งที่สกปรกที่เขาทับทายออกมาจากร่างกายเขาบ้างหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้ะเรารักเขาเพราะเราไปเห็นส่วนที่เราชอบ เห็นส่วนที่สวยงามน่าดูน่าชมก็เลยรักเขาถ้าเขาเกิดหูหนวกตาบอดขึ้นมาหรือ พ, พิการหน้ามีรอยตำหนิอะไรนี้เขาเราก็จะไม่คิดถึงเขาแล้ ว, ลวมีคนถามอยากจะถามท่านสวัสดีครั บ, บรจากแพชา์คะ่ะคือพื้นเราชอบศึกษาชอบฟังธรรมชอบอะไรเนี้ยครับ พอซูมครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้วางทุกอย่างทิ้งเลยแล้วก็ปฏิบัตินะครับทีนี้หลายครั้งที่ที่ไม่ได้อยู่ในอริยบทที่ที่ที่เราจะนั่งสมาธิหรืออย่างเช่นตอนขับรถนะับเราจะฟังธรรมหรือเราจะอยู่กับสติของเราเงียบๆดีครับถ้าเจริญสติได้จะดีกว่าการฟังธรรม ถ้าอยากจะฟังทำต้องฟังตอนที่เราไม่ทำอะไรจะดีกว่าตอนที่เรานั่งเฉยๆจะได้ฟังได้ร้อยเปอร์เซนถ้าเราขับรถไปฟังไปด้วยใจเราจะวิ่งไปวิ่งมาอล้เวเกิดเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ จ, จะแก้ไขไม่ทันก็ได้ฉะนั้าขับรถก็ให้อยู่กับการขับรถอย่างเดียวจะดีกว่าให้มีสติอยู่กับการขับรถกรรรมสการประจานค่ะ <c oughs> พออายุเริ่มมีเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เริ่มมานะคะเคยภาวนามาบ้างแต่บางครั้งเนี่ยเวลาถูกลบไยไข้เจ็บปเปียนก็มีความกลัวความวิตกกังวลเป็นบางครั้งบางคราวหรือก็บ่อยๆนะคะอันนี้ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ก็เพราะเราเผลสติปล่อยให้ใจไปคิดปรุงแต่งเราก็ต้องดึงสติกับมาพุทโธพุทโธหยุดความคิดเหล่านั้นพอหยุดความคิดได้ความกลัวก็หายไป แล้วก็จะใช้ปัญญาต่อก็ได้สอนใจว่าร่างกายก็เป ha ็นอย่างนี้แล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้รู้ผู้มาครอบครองร่างกายก็ให้รู้เฉยๆไปว่าเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาแก่ห้ามเขาเจ็บห้ามเขาตายไม่ได้แต่เราจะไม่ต้องทุกข์กับเขาเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกลับไปกับร่างกายเราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายเราเป็นเพียงแต่ผู้มารับรู้ ความเจ็บปวดของร่างกายก็รู้ไปเฉยๆอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันหาย<ม>เดี๋ยวเวลามันจะหายมันหายเองมามีหน้าที่รักษาก็รักษาไปท่านั้นเองถ้ามันจะตายก็รับรู้ว่ามันต้องตายก็ตายอย่าไปกลัวตายเพราะห้ามมันไม่ได้<ม>อยากจะให้มันไม่ตายมันจะทำให้เราทุกข์มาก ใร่างกายให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> มันเป็นของดินน้ําลมไฟมันทํามาจากดินน้ําลมไฟธาตุสี่ลมที่เราหายใจเข้าไปนี่น้ําที่เราเดื่มเข้าไปอาหารที่เป็นของแข็งก็เป็นธาตุดินไฟก็คือความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์นี่เมื่อมันมารวมกันมันก็ทําให้เกิดอาการสามสิบสองขึ้นมา เกิดผมขนนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาแล้วพอเราหยุดหยุดหายใจเพราะการทํางานของร่างกายก็หยุดทํางานพอหยุดทํางานธาตุที่มีอยู่ในร่างกายเราก็จะแยกไปสิ่งที่ไปก่อนก็คือธาตุลมนมไม่เข้ามีแต่ลมออกสองก็เหนือธาตุไฟก็จะออกตามร่างกายก็จะเย็นลงแล้วต่อมาพวกน้ําต่างๆก็จะแยกออกมา ทิ้งไปนานๆมันร่างกายก็จะแห้งกรอบเหลือแต่ท่าดินน่ะพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเราเป็นเจ้าของต้นไม้ต้นไม้กิ่ง ไ, ไม้มันจะหักเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันใช่ไห ม, มก็รู้ว่ามันกิ่งไม้หักใบไม้จะร่วงเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราไ้ดูร่างกายเราเหมือนเราดูต้นไม้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับมัน <S <S <S <S เชิญ คำถามจากคุณ ร, พ, รพินนันค่ะระหว่างไปใส่บาตรตอนเช้ากับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ออกบิณฑบาตรตอนเช้ากับถวายของหนา้ากุุิช่วงบ่ายสองจะได้รับบุญเหมือนกันไหมเจ้าคะพ่อลูกอยู่ไกลตื่นเช้าตื่นเช้าไม่ทันเจ้าค่ะบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ปริมาณอยู่ที่การเสียสละเสียสละมากบุญก็มากเสียสละน้อยบุญก็น้อยไม่ได้อยู่ที่ประเภทและอยู่สถานที่เวลา เกี่ยวกับที่การเสียสละแบ่งปันของเราถ้าเราเสียสละมากบุญก็มากเพราะใจมันจะมีความอิ่มเอิบใจต่างกันทำน้อยมันก็รู้สึกมันอิ่มน้อยทำมากมันก็จะอิ่มมากหมดแล้วหละมีจาก Youtube มาท่านหนึ่งเจ้อค่ ะ, ะกลับนมรดกการครับการเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งแปลว่ายอย่างไรครับก็ระงับความคิฐิงแต่างของเรา อยากไปคิดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอความคิดอยากเหล่านี้มันทำให้ใจเราทุกข์พอเราหยุดความคิดอยากเหล่านี้ได้ปล่อยวางามันจะเป็นอะไรก็เป็นไปใจเราก็จะไม่ทุกข์สังขาร น, นี้ถ้าหมายถึงสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นนามขันขันสังขารในขันห้าแต่บางทีเราใช้สังขารแทนร่างกายซึ่งความจริงในภาษาพระนี้ใ น, ในภาษา ที่พระเจ้าสานี้ท่านเรียกล่างกายว่ารูปรูปะหรือกายะก็มีกายะแต่ท่านจะไม่ได้เรียกล่างกายส่วนใญ่ถ้าถ้าพูดถึงสังขารนี้ท่านมักจะหมายถึงความคิดตรุงแต่งคำถามต่อไปค่ะการฝึกสติดูกายดูอิริยาบถ ท, ทั้งวันควรเพ่งดูจับละเอียดหรือดูรู้อยู่ตลอดต่อเนื่องไปครับ คือดูเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ใจลอยไม่ให้ไปเพ้อฝันเพ้อเจ้าคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันดูอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ก็ได้หรือให้มันอยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะของหนูนี้คือเวลานั่งสมาธิแล้ปวดหนูก็เอาจิตหนูแยกกายเวทนาจิตเลยนะเจ้าค่ะ พอแยกปุ๊บหนูก็จิตหนูก็บอกว่าเออกายเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกพอมันปวดขึ้นมาเยอะๆค่ะากายไม่ใช่เรานะ เ, าเวทนาก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราคราวนี้ก็เลยเใช้วิธีว่าเอาปวดสมมติปวดขาใช่ไหคะก็จิตก็บอกเอาขาเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราอย่างไงเราก็เผาเผาขาให้มันเหลือแต่กระดูกแล้วก็เอารถบดถนนเนี่ย้ค่ะดป ว, ดวดให้บรละเอียด เป็นผงๆแล้วก็บอกว่าเห็นไหมมันก็ล่องลอยไปเป็นธาตุเป็นธาตุดินไปแล้วคราวนี้อยู่เวทนามันก็หายไปเลยเจ้าค่ะก็คือไม่ปวดแล้วแล้วก็นั่งต่อได้ก็อยู่กับลมหายใจพุทโธไปพอปวดกันมาอีกก็ทำแบบเดิมอีกเจ้าค่ะเป็นหลายๆรอบหลายๆรอบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคดี ถ้าทําให้ใจไม่ทุกข์กับมันได้ก็ใช้ได้ไมู่กเ<ร>จ้าเราระงับสังขารความคิดอยากให้มันไม่หายหายไปเมื่อมันไม่หายเราก็เลยพิจารณาไปตางความเป็นจริงของมันไปจเจราก็เลยหยุดความอยากให้มันหายได้ค่ะพอหยุดได้ใจเราก็ไม่ทุกข์กับมันเจแล้วความปวดก็หายไปด้วยก็ได้หรือเบาลงก็ได้ก็คือหนูใช้เล่นใช้ปัญญาเล่นแบบนี้ไปเลยเจ้าค่ะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทํารวมรัวมเลย เราบางทีมันชินแล้วมันก็ไม่เชื่อแล้วต้องหาวิธีใหม่อ๋อเราเราใช้เล่นวิธีอแบบนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะอ๋อค่ะ อ, อาจจะเปลี่ยนกลับมาใช้พุทโธพุทโธบริกรรมแทนบ้างก็ได้เจ้าค่ะถ้าวิีทางแบบเก่ามันชินแล้วมันไม่มันมั น, มนเราอาจจะไปเกิดความอยากให้มันหายตามที่เราเคยทําแล้วมันไม่หายก็ได้อ้นะคะที่มันที่มันไม่หายเพาเราไปอยากให้มันหายเจ้าค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเงียบสงบไปเนี่ยต้องใช้อีกวิธีเจ้าค่ะคือนั่งบนเบาะหนุนหมอนเต็มที่เลยเจ้าค่ะไม่ให้ปวดเลยแล้วก็สวดมนต์หรือว่าพุทโธไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็จิตจิตก็หยุดพุทโธหยุดสวดมนต์แล้วก็เงียบเงียบสงบไปอยู่กับเออเปล่าๆเลยเจ้าค่ะ ไม่มีอะไรมันเงียแบบหลับหรือเปล่ามันไม่หลับเจ้าค่ะบางทีก็หลับแต่รอบรอบที่ทําเนี่ยรู้ว่าไม่หลับเจ้าค่ะอันนี้ก็จะ อ, อ, อ, อ, อ, อีกอีกอีกอีกแบบหนึ่งเจ้าค่ะก็ได้เป็นแบบสมาธิแบบไม่ต้องผ่านเวทนาก็ได้เจ้าค่ะใช้สติแล้วสติจดจ่อแล้วไ ม, ไม่ไม่ไปคิดเรื่องราวอะไรมันก็สงบได้ใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องต้องนั่งแบบสบายเต็มที่เลยเจ้าค่ะถึงจะเข้ารวมเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่วิธีเข้าเข้ายัางไงก็ได้ขอให้มันสงบแล้วให้มันมีความสุขก็แล้วกันไ ด, ได้ทั้งสองแบบเลยเจ้าค่ะกราบพระคุณเจ้าค่ะค่ะคำถามจากคุณจิรรัตน์ค่ะการนำเงินของแม่ที่ป่วยติดเตียงออกทําบุญเลี้ยงพระในวันเกิดท่าน บุญนั้นจะตกอยู่แก่ผู้ใดถ้าแม่ไม่ได้ไปร่วมงานบุญและอนุโมทนาในการทำบุญด้วยพ่อและแม่จะได้รับบุญหรือไม่เจ้ า, าคะเือบุญจะเกิดสาเร็จได้มันต้องเป็นเจตนาของเจ้าของเงินด้วยเจ้าของเงินต้องเป็นคนบอกว่าเอางเงินนี้ไปทำบุญให้หน่อยนีก็จะได้แต่ถ้าอยู่ดีๆคนอื่นเอางเงินของเจ้าของเอางเงินไปทาบุญโดยที่ไม่ได้บอกเจ้าของเจ้าของไม่รู้เรื่องเจ้าของก็จะไม่ได้บุญ ยัไม่ได้อยาก จ, จะได้ทุกแทนเพราะว่าเสียดายเพราะว่าเงินของฉันหายไปไหนหายขโมยไปเอาไปทําบุญเอาไปทําบุลทําไมฉันไม่ได้บอกให้เธอเอาไปสักหน่อ ย, อออยงั้นก่อนจะเอาไปเอาเงินของคนนุนไปทําบุญต้องบอกเจ้าของก่อนถามเจ้า ข, ของก่อนว่าแม่เอาเงินไปทําบุญให้แม่ไหมแม่อยากจะทําบุญไหมทำแบบเออไปช่วยทําให้แม่หน่อยอย่างเงี้ยแม่ก็จะได้บุญเต็มที่คําถามจากคุณพงพัน์ค่ะจิตเกิดความสงบ จับจิตรวมเป็นหนึ่งมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับอันเดียวกันนะนะั่นแหละจิตรวมถึงจะสงบถ้าจิตไม่รวมจิตก็ไม่สงบคนะ่ะคำถามจากคุณเอทาง Facebook ค่ะกลับนมั ส, สการค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าบางทีสวดมนต์ผิดผิดถูกๆูจะบาปหรือไม่คะไม่บาปหรอกแต่มันเป็นการไม่ได้สติถ้าไม่ถ้าไม่มีสติมันก็สวดแบบผิดผิดถูกๆูกไป ถ้ามีสติมันก็ยังไม่ผิดงั้นพยายามสวดให้มันถูกเพราะต้องใช้สติถึงจะถูกถ้าสวดไปแบบตามอารมณ์ผิดบ้างถูกบ้างก็สติก็จะไม่ไม่ได้สติมากคำถามจากคุณนาวินค่ะเรียนพระอาจารย์พระอนาคามีจะมีศีลแปดแบบธรรมชาติใช่ไหมครับ คือถ้าไม่มีศีลเนะ่ะถ้าไม่มีความอยากอยากที่จะไปร่วมเพศกับใครมันก็เลยไม่มีการไปกระทำผิดศีลข้อกามเหรือข้ออรรมจริยาเพราะว่ามันมันไม่มีเหตุที่จะจูงใจให้ไปทำบาปมานคนไม่อยากได้เงินก็จะไม่มีใครจะไม่ไปขโมยเงินของคนอื่นนะ ค่ะคำถามต่อไปค่ะอยู่ดีๆก็นึกแวบขึ้นมาว่าโลกนี้เหมือนความฝันถ้าไปยึดหวังว่าจะให้เป็นจริงจะเป็นทุกข์ตอนตื่นอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับก็เรียกว่าอย่างนั้นแหะจะเรียกว่าอย่างไรขอให้เอาไปเอาไปทําให้มันได้แล้วกันทําเพื่อให้มันไม่ทำให้ใจเราไม่ทุกข์ก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่มีจ้ ะ, อ, ะอย่าไปสนใจชื่อมันเลยสนใจว่าเราจะามาใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างไร ถ้าเรารู้ว่าโลกนี้เป็นเหมือนความฝันเราไม่ไปอยากได้อะไรไม่ไปอยากยึดติดอะไรเราก็เอามาใช้กับความชีวิตจริงของเราเลยนะไม่อยากได้ทำอย่างนั้นทางานไปพอได้เงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเงินเดือนขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรจะได้รางวัลหรือไม่ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้เพราะมันเป็นของของของชั่วคราวเป็นเหมือนความฝันเดี๋ยวเราตื่นขึ้นมาวันเราตายไปเหมือกันตอนที่เราตื่น ้ตต่่่าาาาาาางงๆขอททีเ ร, าาเรมํมมมไไดันก็หยหยปคําถามต่อไปค่ะฟังเทศเมื่อวานที่พระอาจารย์บอกว่าพวกไม่ออกไปปฏิบัติธรรมนี่แหละศูนย์ไม่ได้อะไรหมายถึงอย่างไรครับจำไม่ได้เราพูดยังไงนะเขาว่ายังไงนะเขาเขาบอกมาว่าเมื่อวานที่พระอาจารย์เทศบอกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรม นี่แหละศูนย์ไม่ได้อะไรประมาณนี้เจ้าค่ ะ, ะก็เหมือนคนไม่ทำงานมันก็ไม่ได้เงินเดือนอะไรถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้มรรคผลไม่พ่านตอนนี้ยังไม่มีจะไม่มีนะโอเคอันนี้ทางโลกนะคะเออหนูคิดเยอะไปคือว่าถ้าเกิดคำว่าไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยเจ้าค่ะจริงจบอยู่ในบ้านแล้วเราเอาเขาออกไปไเรียกว่าเบียดเบียนสัตว์ไหยเจ้าค่ะ ไม่หรอกเราะเขามาเบียดเบียนเราแต่เขาทบ้านไว้ในบ้านล่ะมันก็ไม่ใช่บ้านเราเราชั่วคราวเขาก็ถือว่าบ้านมันก็ไม่ใช่บ้านของเขานี่ถ้าเราคิดว่าเราเบียดเบียนเ้าแล้วเขาปล่อยเขาอยู่ไปตามธรรมธรรมธรรมชาติัปค่ะมันเยอะมากเยอะก็ปล่อยมันอยู่ไปโอ้แล้วแต่ว่าถึงเอาออกไปก็ไม่ได้เบียดเบียนเขาใช่ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ปกความหมายของเขาเบียดเบียนเป็นยังไง ก็เหมือนรู้สึกว่าเอาเขาออกไปแล้วครอบครัวเขาก็หายไปอยู่ที่ใจเราถ้าทาเราทําไปแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปทำนะกันอ๋อเจ้าค่ะแ้วเราทําแล้วสบายใจก็ทําไปก็อยากเอาออกไปแต่ว่ารู้สึกว่าพ่อแม่ลูกหายไปอ่าก็ดีก็เมตตาคือจะได้ความเมตตาอสัตยัตาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็เอาให้มีความสุข แต่ถ้าเขาอยู่กับบ้านนี้เป็นความเสื่อมเขาปล่อยก็อยู่ไปอแล้วค่ะนร่แหละวิธีแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดแผ่ด้วยการก ร, ระทํำถ้าเราไม่มีความเมตตามีแต่การในงก่ตัวฉันไม่ต้องการให้เขามาอยู่บ้านฉันก็เลยจับเขาไปปล่อยที่อื่นอันนี้ก็ไร้ความเมตตาค่ะแต่จะว่าบาปไม่บาปเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนนี่ก็อาจจะพูดยาก แต่ความไม่มีความเมตตานั้นแน่นอนค่ะถ้ามีความเมตตาก็ปล่อยก็อยู่ไปค่ะ่เจ้ค่ะขอบคุณค่ะคำถามจากทาง Youtube ค่ะการพิจารณาธาตุสี่ตอนเริ่มนั่งสมาธิถือเป็นปัญญาอบรมสมาธิใช่ไหมครับถ้าทำให้ใจสงบได้มันก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิไนดะ คำถามจากคุณป๊อปคอนค่ะกระผมทํางานโรงพยาบาลาสตัตว์การที่เราต้องทุ่มเทดูแลสตัตว์ดูแลสัตว์พิการด้วยใจเมตตาเป็นหลักอยากรู้ว่านี่เป็นการชดใช้กรรมของเราไหมครับพระอาจารย์และเราจะได้บุญจากตรงนี้ด้วยไหมครับคือการชดใช้กรรมมันเกิดจากการที่เราเจอประสบะการณ์ที่มันทําให้เราทุกข์เดือดร้อนมันก็เป็นการชดใช้กรรมไป แต่การมีเมตตาเราสัตว์นี้เป็นการสร้างบุญไม่ได้เป็นการใช้กรรมคุณกาะเกตค่ะจิตตั้งมั่นมีสมาธิในขณะลืมตาเห็นการทำงานของกายใจต่างกับนั่งสมาธิเข้าฌานอย่างไรคะเข้าฌานมันจะไม่รับรู้ทางเรื่องทางร่างกายเลยร่างกายมันกับหายไปชัว่วคราวจากความรับรู้ของใจ คำถามจากคุณไอซราค่ะการที่เราฝันถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นความฟงซ่านของจิตเราหรือไม่หรือให้มองว่าแค่เป็นการทํางานของขันห้าเจ้าค่ะก็เป็นความคิดปรุงแต่งของจิตของใจเราเคือขันห้าเนี่ยถ้าใจไม่สงบมันก็จะมันก็จะคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราเคยทําบุญมามันก็จะคิดเรื่องที่เราทําบุญเราฝันดีถ้าเราทําบาปเราก็จะคิดถึงเรื่องที่เราทําบาป ก, ก็จะฝันร้ายไป